فاستجبنا له ونجاينه من الغم. وَكَذَلِكَ ا ل ن ُ ج ِ ل الْمُؤْمِنِ وَكَذَلِكَ ن ُ ن ْ ج ِ ي الْمُؤْمِنِ وَزَكَرِيَّا إِذْنَا د َ ى ر َ ب َ ه ُ رَبِّ لَا ت َ ذ َ ر ْ ن ِ فَرْدًا رَبِّ لَا ت ََ ر ْ ن ِ فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة وأ إن هم كانوا يسارعون في الخيرات، ويدعون نار غب ورهابا، وكانوا لنا خشعين.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 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بك لِمَاتِ اللهِ التاماتِ من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع الس العليم رضيت ب ا ل ل ه رب ั ب ลอฮฺรับบ์วบิลิสลามดีนวบิ ا ุฮัม م ัดรั أعوذ بك من الكسل وسوء ا ل ك ب ر رَبّ أ ع و ذ ب ك م ن ع ذ ا ب ف ي ا ل ن ا ر و ع ذ ا ب ف ي ا ل ق ب ر ا ل ل ه م إ ن ي أ ع و ذ ب ك م ن ع ذ ا ب ا ل ن ا ر و ع, إ أ ع و ذ ا ب ا ل ق ب ال ر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมาซุบะที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละก่อนอื่นเราต้องนึกถึงอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาลาให้มากๆนะครับต่างนึกถึงอัลลอฮ์อยู่ทุกเวลานะครับตอนอยู่ในส้วมเท่านั้นแหละนะครับห้ามรำลึกถึงอัลลอฮ์นะแต่นึกอยู่ในใจเนี่ยได้เพราะชัยตอน ที่อยู่ของไายตอนคืออยู่ในส้วมนะครับถึงว่าส้วมของท่านเนี่ยจะสร้างราคาถูกหรือราคาแพงก็ตามนั่นคือที่อยู่ของไายตอนและไทรตอนนี่มันจะฉีหรือป่าชทยตอนฉี ช, ช่วงไหนหรู้ไหมมันจะฉีใส่รูหูนั่นหนะรูหูของเรานี่แหละคนที่นอนตั้งแต่ หลังนามาศอิชาแล้วก็ไม่ได้คืนไม่ได้ตื่นนามาศซุพหรือไม่ได้ตื่นนามาศตหฮัยุดจนกะทั้งเช้าเนี่ยนะครับนบีบอกว่าเนี่ยใช้ตอนบ้าลาฟีอูซูไนฮิใช้ตอนฉีใส่รูหูของเขาทั้งสองเห็นยังครับการนอนเยอะๆเนี่ยมันจะของดีนะ ก็คือไชตอนฉีใส่รูหูทั้งสองบางรายงานบอกว่าฟีอูซูนิฮีเป็นเอกภ์ใส่รูหูของเขาข้างเดียวบางรายงานบอกว่าอูซูไนฮีสองสองรูหูเลยลอกอีคัดิสหนึ่งอธิบายว่าไชตอนมันหัวเราะเราไม่อยากให้ไชตอนหัวเราะหรอกแต่มันก็หาโอกาสหัวเราะได้เหมือนกันตอนไหนรู้ไหมตอนที่เราหาว เรามีเสียงคำว่าหามีไหมบางคนหาวเรามีเสียงดังอักออกมาจากคอหอยเนี่ยแล้วก็อ้าปากกว้างเลยนั่นแหละใช้ตอนว่าฉันได้ไม่โอกาสหัวเราะสักทีวันนี้บึ้งมานานแล้วฉะนั้นอย่าให้ถ้าใจต้องการให้หัวเราะก็หาวดังๆแต่นบีสั่งบอกวาา่ากานหาวของมุสลิมนั้นต้องหาแบบนี้หาวแล้วก็พยายาม กดกั้นเอาว้อย่าอ้าปากกว้างาพยายามฝืนเอาไว้พยายามสกัดเอาไว้กั้นเอาไว้อย่าให้ปากอย่าให้ปากกว้างแตนี้พยายามหาแล้วก็เอามือนี่ปิดปากโดยอย่าให้คนอื่นก็เห็นนั้นนะเห็นลิ้นไก่ทั้งหมดเหล่านี้เขาเรียกว่าอัลฮุสนูลคุลุมารยาทีงดงามเมื่อกี้นี่หมามอ่านว่าไงนะอะไรนะถ้าอากจะอ่านจะทําอะไรในวันในวันพรุ่งนี้ ให้กล่าวว่าไงนะอินอะไรนะอินชาอัลลอฮฺจะกล่าวอาจจะทำอะไรในวันพรุ่งนี้ให้กล่าวว่าอินชาอัลลอฮนั่นก็เรกคนมีมารยาทงามเหมือนกันครับเวลาใครจามหรือตัวเองจามให้กล่าวว่าไงนะอัลฮัมดุลิลละและคนที่ได้ยินเนี่ยให้กล่าวว่าไงนะยาคฮัมุกัลละแล้วก็เจ้าของก็ขออีก ยาดีกุมุลลอห์วายูสลิฮูบะลลอุมคนนี้เป็นคนที่มีมารยาทงามคนที่มีมารยาทงามเนี่ยอัลลอฮ์พอใจนบีพอใจคนที่มีมารยาทงามนะครับผลบุญของเขาเท่ากับคนที่ตื่นหน า, าตทหารยุทธกับกลางวันถือศีลอดอัลลอฮุอักบะตยิ่งใหญ่ไหม คนที่รักษามารยาตัวเองนี่แหละจะเข้ามาสัสยิดออกมสัสยิดเข้าห้องน้ำออกจะห้องน้ำเวลาหาวทำยังไงเวลาลุกขึ้นไม่ให้ใช้ตอนฉี่ใส่หูเวละจะกล่าวว่าฉันจะทำงานสิ่งหนึ่งในวันพรุ่งนี้อินชาอัลลอ์ทั้งหมดเหล่านี้เป็นคนที่มีมารยาทงดงามนาบีสอนว่าคนที่จะเข้าถูกเชิญเข้าสู่สวรรค์ของอัลลอหนึ่งตักว่า หนึ่งกวสองฮุสนูลคูลูกคนที่มีมารยาทงดงามมารยาทงดงามอธิบายได้เยอะมากประมาณ40่สบห้าสิกว่ารายการอ่ะเอาเล่าสักหกเจรายการนะหนึ่งเวลาโกรธไม่แสดงอาการควบคุมอารมณ์ออร์อักวัตควบคุมอารมณ์ไว้วัลกาซิมีนลอร์สคนที่ควบคุมอารมณ์ วาลาฟีนาอินนาสแล้วก็ให้อภัยกับผู้คนอัลลอฮหอักบัตเป็นคนมีมารยาทงามหมดเลยข้อสามเวลาเห็นหน้าอะไรนะให้ยิม้มอัลลาฮหอักบัตแล้วก็สลาม์เราพูดจาดีๆอัลลอฮหอักบัตนำมาปชัยเลยถ้าต้องการจะให้เป็นคนที่มีมารยาทงา ม, มเนี่ยนะอย่าโมโห แล้วก็ควบคุมอารมณ์แล้วก็ให้อภัยเห็นหน้าคนยิ้มให้สลามและพูดจาพอเพราะแล้วก็พอจะกล่าวว่าฉันจะทาฉันจะไปหาท่านในวันพรุ่งนี้อินชาอัลลอ์พยายามให้มันติดนิสัยทั้งหมดเหล่านี้เป็นคนที่มีมารยาทงดงามได้ยินเสียงอาจารย์โอ้โหใจคอสัน่นไปหมดอยากจะเดินมามาสัสยิด พอเห็นบุหรี่มือตกเห็นกุรานมือสัน่นอยากจะจับนี่แหละเป็นคนมีมารยาทงามหมดเลยนะเอาคุยเรื่องมารยาทงามโดยเล็ยกน้อยๆเพราะเป็นคนที่อัลลอ์รักและจะเชิญเข้าอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอ์สุบฮานะฮวตาแล้ว <c oughs> ขอบคุณอัลลอ์นะครับเราได้ทบทวนกุรานเนี่ยปีนี้เป็นปีที่น่าจะยี่สิบสองลนะปมยีิบเอ็ดปีมานานแล้วนะ เอาละพี่น้องเราทบทวนมาถึงสุรออัลอัมบิยานะครับสุรอที่ยี่สิในกุณอามีน1นึ่งร้อยสิรอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องนบีอะไรนะนบีซุลกิฟลีอ่าซุลกิฟลีเขาเล่าประวัตินิดนึงซุลกิฟลีเนี่ย <c oughs> เป็นนบีบางคนบอกว่าไม่ใช่นบีเป็นคนโซเละเอาละจะเป็นซอเละจะเป็นคนดีหรือเป็นนบีก็ตามดูประวัติเล็ก ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆน้อยๆของท่านก่อนที่นบีอาลียาซารู้จักคําอาลียาซ่าใช่ไม่ได้ยินใช่ไหมนี <c oughs> ่แหละเป็นนบีคนหนึ่งของอัลลอฮฺอาลยาซ่านี่พออายุเยอะแล้วก็เป็นห่วงสังคมนั่นคนดีเขาห่วงสังคม เออแล้วใครจะดูแลเนี่ยพอฉันตายเนี่ยใครจะดูแลม า, าศาสนาของอัลลอ์ใครจะรับผิดชอบดูแลเตือนคนสอนคนเป็นว่วงก็เลยวางกฎกติกาว่าเข้าที่ประชุมคนมาฟังาศาสนาก็เยอะก็าถามว่าฉันอยากได้คอลิฟาสักคนหนึ่งมารับใช้ดูแลงานาศาสนาของอัลลอ์นี่แหละแต่ต้องมีนิสัยสามรายการ <c oughs> ต้องมีของดีสามรายการรายการที่หนึ่งจะต้องถือสินอดในเวลากลางวันเยอะๆรอถามว่าถืออ <c oughs> อกให้งานเบาหรืองานหนั ก, ห น, กหนักทั้งหมดนั่นแหละพี่น้องข้อที่สองคนที่จะเป็นคอิฟ้าแทนฉันได้ต้องดูขึ้นมาตหัยุดบ่อยๆเยอะๆมากกว่าคนอื่นทั้งหมด แล้วข้อที่สามเนี่ย ล, า, ลายลายกระบอกเขาจะต้องไม่มีความโกรธจะยั่วให้โกรธขนาดไหนไม่แสดงอา ก, อ า, การโกรธสามรายการท่านก็เสนอในที่ประชุมเลยเอา้าวใครที่มีสามรายการนี้ฉันจะแต่งตั้งให้เป็นคอรีฟะแทนฉันจะมีจุลกิฟฟี่นีละยืนขึ้นบังผมครับวันแรกท่านไม่ตั้งผ่านไปก่อนร่วงอีกวันนึง ประการที่ฉันต้องการจะตั้งตัวแทนแทนฉันหลังจากฉันตายแต่ต้องมีต้องเป็นคนดีสามรายการนั่หนึ่งต้องนำมาตรหัดยุดสองต้องถือศีลอดในเวลากลางวันสมต้องไม่แสดงอาการโกรธอัลฮัมดุลิละแล้วเป็นไงอะ่ะซุลกิฟลียืนขึ้นผมครับอาก็แต่งตั้งซุลกิฟลีนี่ ให้ทำทำหน้าที่เป็นคอลิฟ้าทีนี้ชายตอนเยอิบลิสเนี่ยพอรู้ว่ารุลกิฟลีมันจะเป็นคนใหญ่หลังจากอเลยาสะตายเนี่ยแล้วต้องแก้ ม, มันให้ได้ยุมันให้เสียคนให้ได้ก็ส่งลูกน้องไปหารุลกิฟลีเข้าไม่ถึงชายตอนมาอา่านมาเล่าให้หัวหน้าฟังว่าผมเข้าไม่ถึงครับไปแล้วเข้าไม่ถึงกลางวันบวชกลางคืนนมาศ แล้วก็ไม่เคยไม่เคยโมโ ห, โหเลยโอ้โหเข้าไม่ถึงยอมแพ้หัวหน้าเอาเองอา้าเองไม่ทําฉันเองหัวหน้ายายเอาเลยอะไรนะอิบลิสเลยอิบลิสก็วางอะไ ร, รปลอมตัวไปเป็นคนแก่นีในนนะนในะ่ใช่ตอนนี้มันแปลงตัวได้นะอาคือน้องจําให้ดีนะใช่ตอนนี้มันแปลงตัวได้มันแปลงตัวเป็นคนแก่มหาซุลกิฟลีช่วงไหนช่วง อะไรนะก่อยรู้ละก่อยรู้ละตอนเงียบตอนเวลากลางวันน่ะมาเคาะประตูแก๊กแก๊แกแ๊ แ, แ๊ท่านก็จะนอนอยู่ก็เปิดประตูเอาแขกมาตอนรับมาทำไมอะ่ะฉันเป็นคนถูกรังแกมีคนหนึ่งรังแกฉันมาฟ้องท่านอันนี้ก็คุยลากยาวจนกระทั่งไม่ได้นอนในเวลาก่อยรู้ละคนในกลางคืนนมาดอยู่แล้ว กังวันบวชอีกเรากอยรู้ลาไมเดนอนเนี่ยอารมณ์มก็ต้องมีบ้างแต่คุณนี้ไม่สแสดงอาการเลยเอาท่านรุลกิมรีบอกพุงนี้ไปหาฉันที่นู่นที่ออฟฟิศฉันจะจัดการเองขับเป็นต๊ะกอดีด้วยอ่าเช่ตอนไม่ไปพออีวันหนึ่งก็มาเคาะอีกแก๊กๆ ๆ, ๆ๊พอเห็นนะทำไมคุณไม่ไปหาฉันละที่ออฟฟิศฉันจะจัดการเรื่องของคุณคุณถูกรังแกไหมอาฉันตกลงกันแล้ว อา้าวมาเล่าอีกก็คุยอีกคุยคุยจงกอาทั่งผ่านไปเวลาก่อยรู้แล้วไม่มีอา้าวก็ไปทำงานต่อไม่ยอมไปพอวันที่สามท่านลุกท่านรุ่นคิดบอว่าอ ย, อยาให้ใครมาเยี่ยมฉันในะวันนี้นะมีผู้อะไรนะยามรักษาประตูหมดเลยที่บ้านเขาเมื่อคนแก่คนนี้มาซึ่งเป็นชัยตอเนี่ยมาเข้าไม่ได้มันก็หาวิธีเข้าทางช่องหน้าต่างอ่ะ เข้าพุทเข้าไปไปเคาะประตูคุลกิฟลี่ตื่นมาอา้าวคุณเข้ามาได้ยังไงอ่ะก็ยองยามมีรักษาเต็มประตูไปหมดรู้เลยคุณนี่เป็นชยตอนคุณเป็นชยตอนใช่ไหมบอกใช่ครับคุณเข้ามาทำไมต้องการจะมายั่วยั่วคุณนั่นแหละให้โมโหนี่วันนี่วันที่สามแล้วนะคุณยังไม่โมโหเลยฉันยอมรับเลยฉะนั้นสุลกิฟลี่แปลว่าฉันเนี่ย เป็นคนที่ยอมรับว่าท่านนี่เป็นคนที่รับผิดชอบสัญญาอะไรไว้ทําครบตามสัญญาทุกประการยอมแพ้ให้เป็นเพนผู้นําได้ใช่ไหมพี่น้องต้องการจะเล่าให้พี่น้องฟังว่ารุลกิฟลี่เนี่ยก่อนที่จะได้รับตําแหน่งเป็นคนสอนแล้วหรือเป็นนบีเนี่ยถูกทดสอบมาแล้วผ่านไหมผ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความโกรธเรื่องนามาดแน่นอนในตัสซิดอิบนุกะซิดอธิบายบอกว่า พว่าอยู่โซลิฟิลิยาุมี อ, สอาสละท่านนามาตวันละร้อยนามาตกัางวันนี่นะกลางคืนเนี่ยนามาตประมาณร้อยนามาตไม่รู้ว่ากี่เราอาจเอาว่าร้อยนามาตก็แล้วกันนามาตแบบเดียวกับเราหรือเปล่าวันเราไม่รู้กลางวันกลางคืนเนี่ยประมาณร้อยนามาแล้วกลางวันนี่ถือสินอดอยู่เป็นประจำ แล้วก็ไม่เคยแสดงอาการโกรธให้ใครเห็นฉะนั้นเรื่องโกรธนี่นะไม่ดีครับไม่ดีฉะนั้นคนที่โกรธเยอะๆเนี่ยแกไว้คนที่โกรธเยอะๆเนี่ยเป็นโรคหัวใจคนโกรธเยอะๆไม่ดีฉะนั้นอย่าแสดงอาการโกรธให้ให้ลูกเห็นให้เมียเห็นเมียก็เหมือนกันอย่าแสดงอาการโกรธให้ผัวเห็นให้ลูกเห็นพยายามขอดุทิศต่อรอนบีสอนอย่างนี้ถ้าหากว่ายืนโกรธถ้าทําไง ให้เปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนอิริยาบถมานั่งถ้านั่งแล้วไม่หาให้เท้าไงนอนนอนไม่หาหเอีกให้ลุกขึ้นมาอาบน้ำนา้มาดแล้วก็ม า, ามาดสัก ส, ส, สองหรอกอาจนี่วิธีปราบกโกรธกโกรธจะให้ความโกรธนันอยู่ในตัวของเราเนี่ยบีสอนไปหมดนะครับเราทำดูแล้ววันนี้มาอายาที่8ปดเจดนะครับ87 وزنون إذ ذهب مغضبا فظن أن نقدر عليه فندا في الظلمات أ َ ل ا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الحمد لله อันด huh? ีเที่ยวนะว่านนุน إذا بغضبا فظن أننا قدير عليه فنادف في الظلمات Allah ila ha illa n t s i อันได้ความรู้ครับว่าันนูนอ่าจันนูเนี่ยนะแปลว่าอะไรครับดูดูคาแปลก่อนคาว่านูนเนี่ยแปลว่าปลาวานนูนนูนแปลว่าปลาวาน หรือแปลว่าขวดหมึกขวดน้ำหมึกเนี่ยก็เรียกว่านูนในที่นี้หมายความว่าจันนูนเป็นชื่อของคนเป็นชื่อของคนคนนี้ชื่ออะไรครับในตัฟซีนอธิบายว่ายูนุสชื่อยูนุสนะครับชื่อยูนุสอินมิตตีอะัยฮิสซลามีพ่อชื่อมิตตีนะ บาราสัลลลลอฮุอิลลัลอาลีกะรยาตินีนาวีอัลลอ์ได้แต่งตั้งท่านยูนุสเนี่ยมาสอนศาสนาที่เมืองเมืองหนึ่งในประเทศอิรักที่เมืองเนนาวีอยู่ในตำบอ ล, ลอัลมูซอลอัลมูซอลที่ประเทศอิรักปัจจุบันตรองว่าอัลลอฮ์เนี่ยส่งแต่งตั้งยูนุสเนี่ยนะชื่อ จันนูนนะครับมาทำหน้าที่สอนศาสนาที่เมืองเนนาวีอำเภอจังหวัดอะไรนะจังหวัดมูซอลประเทศอิรักท่านมาทำงานทำงานทำงานอยู่หลายปีทำงานศาสนาอย่าลืมว่างานศาสนาเนี่เป็นงานที่ประเสริฐที่สุดนะไม่มีอะไรดีที่จะมีบรารักัดมีความจำเริญนเท่ากับงานเปลี่ยนแปลงคนให้มารู้จักอัลลอ นะครับให้รู้จักนบีสอนคนให้เลิกบูชารูปเจเวศสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกแล้วก็หันมานับถือมากราบอาลัลลอฮ์องคเดียวนะเป็นงานที่ประเสริฐที่สุดวันนี้ก็เหมือนกันครับงานสอนคนให้เป็นคนดีนั่นเป็นงานที่ประเสริฐมากเลยแล้วเป็นงานเดียวที่ไม่มีเงินเดือนแล้วเป็นงานเดียวที่หนักที่สุดและคนด่า ม, มากที่สุดฉะนั้นท่องทนหม ต้องทนทั้งหมดเลยเห็นไหมอีตอนทนนันลึกอะไรครับหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺไปสอนคนเนี่ยส่วนใหญ่คนก็ไม่ชอบอ่ะแต่ถ้าอยู่เฉยๆมาต้องบอกไม่ต้องเตือนเนี่ยคนชอบหมดแหละแต่การสอนการเตือนนั่นทุกคนไม่ชอบนะครับเมียเรากาไม่ชอบสามีกว่็ไม่ชอ บ, ชอบเอาละตูลงว่าอัลลอฮฺเนี่ยแต่งตั้งนบีขึ้นมาแต่ละคนแต่ละคนทํางานาศาสนาบุญเลยนะทีนี้ พอทำงานศาสนาไปเนี่ยจันนูนเนี่ยมาถึงนบียูนุสเนี่ยเป็นไงรู้ไหมอิซาฮาบะมุอดีบคืออันนี้จงรำลึกถึงเรื่องราวของจุนนูนอัลลอฮ์บอกกับนบีมุ h ั m ให้นบีมุ h ั m เล่าประวัติของนบียูนุสหรือจันนูนเนี่ยหรือจันจันนูนเนี่ยให้กับซอฮาบะนบีฟัง ต้องการจะบอกให้ท่านนบีเนี่ยเอาประวัติของซุนนูเนี่ยมาเล่าให้อสวะบานนบีฟังนบีก็มาเล่าอ่ะนี่ันเล่าดีแหละอัลลอ์เล่าให้ฟังเลยอิสฮะบามูฮัดีบะเมื่อเขาจากมันก็ว่าทิ้งหน้าที่ทิ้งการสอนศาสนาพาอสอนมาหลายปีแล้วคนไม่อะไรนะไม่อีมานไม่ศรัทธาสอนสอนก็ดาอีกวาออกตํานีก แบบนบีนบีนับบนวก็ถูกมาแล้วน บ, บีมูซาก็ถูกมาแล้วน บ, บีอิสาก็ถูกน บ, บีมุฮัมมัดก็ถูกถูกมาหมดเลยมีศัตรูตลอดน บ, บียูนุสจุ น, นูนก็เหมือนกัน ส, นสอนสอนสอนแล้วไม่มีใครเชื่อท่านก็เลยจาฮะบะจากพวกของเขาในสภาพไหนมูรบริบันอัลลอฮ์รอบรอบไปไร น, นะโกรธรอบรอบไปว่า โกรธหมู่อบดิ่แปลว่าในสภาพโกรธออกจากหมู่บ้านในสภาพโกรธไม่พอใจถามว่าคนสอนศาสนานี่โกรธได้ไหมเป็นคำถามมาไม่โกรธดีที่สุดอย่ากโกรธห้ามโกรธอัลกดีน บ, บียูนุสหรือว่าซุนนูนนี่โกรธนะ ถามว่าโกรแลว้ววทิ้งเลยทิ้งงานเลยทิ้งหน้าที่นี่อัลลอฮ์ต้อตงการจะเตือนพวกเราวันนี้นะเวลาถูกแต่งตั้งให้ทำงานาศาสนาจะเป็นที่ไหนก็ตามอย่าทิ้งหน้าที่ถ้าทิ้งหน้าที่เป็นยังไงอาดูต่อไปฟาซอนอัลลานกอดีร อ, อรน บ, บิยูนุส นะครับน บ, บียูนุสคิดว่าซ้อนหน้าแปลว่าคิดว่าคิดว่าอะไรครับอัลลอฮ์นักดิษอะไราาเราอัลลอฮ์ะจะไม่ให้เขาได้รับความลําบากนักดิษเนี่ยแปลว่าถ้าจะพูดในเรื่องเงินก็ได้เงินน้อยอ่าถ้าพูดในเรื่องเงินนะนักดิษเนี่ยแปลว่าได้เงินน้อย น บ, บียูนุสเนี่ยคิดว่าอัลลอฮ์คงจะไม่ทําอันตรายในการทิ้งหน้าที่อันนี้นี่คิดคิดเองนะคิดในใจว่าอัลลอฮ์คงไม่ลงโทษนะ่ะคิดว่าอัลลอฮ์คงไม่เล่นงานนะอัลลอฮ์คงให้อภัยนะ่ะอัลลอฮ์คงไม่เอาเรื่องนะ่ะนึกเองอ่าทีนี้ฟะรอนอัลลันนักดีรออะไรการทิง้งการทิ้งหน้าที่อันนี้เนี่ยเป็นงานใหญ่นะ ฉะนั้นท่านนี่ทิ้งหน้าที่ต้องการจะเล่านะว่าการทิ้งหน้าที่เนะี่ยดีหรือไม่ดีไม่ดีเอาไปเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นพนักงานที่ไหนก็ตามไม่ทําหน้าที่เะหรอวักวัดเอาี น, นแค่เข้างานทํางานะอะไรนะแปดโมงโยกตัวอย่างแค่มาเขียนว่าเจ็ดเจ็ดโมงขึ้นกระเพียดแล้วนม่งก็โง่เอาบังงปากกาก็โง่ด้วย ว่ามาทำงานเจ็ดโมงแต่จริงมาแปดโมงแต่เขียนว่าเจ็ดโมงสิห้าอย่างเงี้ยไอเรื่องไม่ตรงไม่ตรงตามหน้าที่เนี่ยทุกคนถูกตำหนิหมดน่ะนี่ก็ต้องการจะเล่ามันกันน่ะคนที่อ่านกุรอ่านอายานีต้องนึกเราจะไม่ทำตัวนะครับให้เร็วอ่าต้องต้องนึกตลอดนะนบียูนุสก็นึกฉันทิ้งหน้าที่อันนี้คิดว่าอัลลอจะไม่ทำให้ลำบากแล้วต่อมาครับ เสร็จแล้วอัลลอฮ์ทำให้เขาพบกับความลำบากอ่ะทีนี้ถามว่าไปไปพบกับความความลำบากที่ไหนตับซินอธิบายบอกว่า <c oughs> เวลาเขาหนีออกจากหมู่บ้านเนี่ยเขาบอกกับพี่น้องของเขาบอกว่าอย่างนี้ภายในสามวันนี้ถ้าคุณไม่เตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์อัลลอ์จะเริ่มลงโทษคุณ ภายในสามวันนี้เนี่ยอัลลอจะลงโทษนบีเลยหนีออกมาก่อนเนี่ยพอออกมาก็าไปลงเรือก็จะไปให้ไกลเลยไม่กลับมาแล้วเลิกแล้วเราคิดว่าสามวันนี้พี่น้องถูกลงโทษแน่แต่ปรากฏว่าญาติพี่น้องของเขาเนี่ยนะเชื่อนบีหลังจากนาบีทิ้งหมู่บ้านไปแล้วเริ่มเสียใจเริ่มกลับนัวกลับตัวทำห้ารายการ พี่น้องของเขาทำห้รายการเพื่อใ้คนดูนะทำอะไรบ้างนะพวกนี้เข้าใจว่านาบียูนุสเนี่ยพูดต้องไม่โกโหกแร้วเขาเป็นนบีจริงๆเขาก็เสียใจมนุษย์อลัลลอฮ์นี่ทําให้นบีเราเสียใจให้ผู้นาของเราเสียใจให้ผู้ผู้นำหนีออกจากหมู่บ้านไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าไปไหนและยูนุสเข้าใจว่าอาลัลลอฮ์เนี่ยต้องลงโทษแน่แต่ที่ไหนได้ญาติาพี่น้องของเขามีทั้งหมดกี่กี่คนใช่ไหมประมาณแสนกว่าคน นบียูนุสเนี่ยมาสอนประชาชนประมาณแสนกว่าคนเยอะนะของเราแค่นี้เองเนี่ยเท่าไรนักเรียนห้าหร้อยคนยังปวดหัวเลยมีภูลุ่น้องคุมอีกโอคูตัวเยอะแยะไป่หมดลูกเราสามคนคุมได้ที่ไหน่ <c oughs> นี่แสนคนอัลฮัมดุลิละพอนบียูนุสหนีพี่น้องของเขาหลังจากนบีหนีเกาทำห้ารายการข้อที่หนึ่ง วิธีการเตาบ้าตัวของเขาในสมัยนู้นกับสมัยนี้ไม่เหมือนกันนะวิธีเตาบ้าตัวสมัยนะบียูนุสเขาทำห้ารายการข้อที่หนึ่งเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดเก่าชุดใหม่ที่ใสยอยู่นี่ถอดออกแล้วเอาชุดเก่าที่สุดชุดที่ขาดแล้วขาดอีกเอามาใส่แทนที่นัตสตซิดอธิบายอย่างนี้เรื่องที่หนึ่งทำไหมนะถอดเสื้อผ้าชุดปัจจุบันออกแล้วก็เอาเสื้อที่เก่าที่สุดมาใส่ นี่วิธีการกลับตัวของคนในสมัยนูนข้อที่สองแยกเอาลูกสัตว์ อ, อย่างอย่าแพะแพะที่คลอดลูกหรือออกลูกได้สัตวอาทิตย์สองอาทิตย์ให้แยกออกเลยระวางแม่กับลูกนะนี่ข้อที่สองข้อที่สามสำนึกผิดด้วยการร้องไห้อันนี้เหมือนกับซูน่านะบีอ่าข้อที่สามนี่นะข้อที่สองแยกสัตว์ออกแม่กับลูกแยกออก ข้อที่สามนั่งร้องไห้เรียขอดุดมาร้องไห้พร้อมกับขอดุอมานือข้อที่สามข้อที่สี่ผู้ชายก็ร้องผู้หญิงก็นั่งร้องเด็กก็ร้องเด็กผู้ชายก็ร้องเด็กผู้หญิงก็ร้องแม่ก็รอ้รองกันหมดทั้งหมู่บ้านเลยข้อที่สี่ข้อที่ห้าสัตว์สัตว์มันก็ร้องเลมันคิดถึงลูกมันนะ้นอะ ก็จับแม่กับลูกห่างแยกออกจากกันลูกมันก็ต้องการจะกินนมก็ร้องแพะก็ร้องควายก็ร้องอูดก็ร้องร้องกันหมดเลยตัวลงว่าห้ารายการข้อที่หนึ่งเปลี่ยนเสื้อผ้าเอาชุดเกา่าใส่ชุดใหม่โยนทิ้งอันที่สามสำนึกตัวโดยการร้องไห้และขอดุอาข้อที่4อ่ ข, ข้อที่สี่ก็อะไรนั่งนั่งนั่งร้องไ ห, ห้เด็กด้วยผู้ใหญ่ด้วยผู้หญิงด้วยผู้ชายด้วยข้อที่ห้าสัตว์ก็ร้องหรายการนี้ทําให้อัลลอสสงสารและเมตตาและไม่ลงโทษภายในสามวันเขากลับตัวกันหมดแล้วแต่นบียูนุสลงล ง, ลงเรือไปแล้วคิดว่าญาติพี่น้องตายหมดแล้วแต่ที่นั้นได้อลลอสประวิงเวลาเลื่อนการลงโทษส่วนยูนุสนี่อัลลอ ลงโทษเล็กๆน้อยๆไม่เยอะคนลงเรือไปแล้วในาตับซินอธิบายว่าไงนะเรือเนี่ยมันจะจมเรือมันเพียบนะครับเสร็จแล้วก็จับฉลากให้คนออกทุกคนรู้จักนา บ, บิยูนุสที่อยู่ในเรือรู้กันหมดเนี่เป็นคนดีคนซอเลเป็นคนอลุลามะเพราะจับฉลากสามครั้งอ่ะถูกชื่อนา บ, บิยูนุสทั้งสามครั้งเลยเสร็จแล้ว ก, ก็ต้อง ต้องออกจากเรือพอกระโดดออกมาจากเรือปั๊บเนี่ยอัลลอฮ์ส่งอะไรมานะส่งปลาอัลฮ์ห้มดุลิลละอัลลอฮ์วั บ, บัตส่งมาจากคาราวะทะเลใหญ่นะ่ะบาฮูรูมทะเลใหญ่เลยลงไปเอานาบีนุชจับนบียูนุชอยู่ในท้องปลาแล้วก็เดินอยู่ในท้องทะเลประมาณสี่สิบวันเจ้ทั้งยูนุชถูกกืนลงไปแล้วอัลลอฮ์สั่งปลาบอกว่าปลายูนุสไม่ใช่อาหารของคุณ ปลาเอย๋ยยูนุสไม่ใช่อาหารของคุณแบบเดียวกับที่อัลลอฮฺสั่งนบีอิบรอฮิมสั่งไฟว่าแลาะรนะอย่าอันทำอันตรายกับนบีอิบราฮิมนี่ก็เหมือนกันสั่งปลาอย่าทําอันตรายกับนบียูนุสอะไลฮิสลาตตอนอยู่ในท้องปลานาบิบยูนุสเล่าเองนะครับออกมาจากท้องปลาแล้วเล่าว่าตอนอยู่ในท้องปลาฉันนึกว่าฉันตายแล้ว พอเอามือกระดิกอ๋อยังยังกระดิกได้พอยังกระดิกได้ก็ขอดูอาอัลลอฮฺจ่าฉันขอเอาที่ท้องปลาเนี่ยเป็นที่สุญญ์ละก็สุญูดในท้องปลาพอสุญญดเสร็จก็ขอดูอาง่ะฟานาดาฟิซูลูมาดและนบียูนุสนี่พป็น้องเป็นไงนะได้ร้องขอหรือว่าเรียกร้องหรือขอดูอา นาดาเนี่ยแปลว่าเรียกหรือว่าร้องเรียกหรือขอหรือขอดูอาฟิซุลูมาดอยู่ในที่มืดมืดหรือมืดทึบซูลามาตเนี่ยเป็นพระหุปศนะแต่ว่ามืดมืดในสามที่ด้วยกันหนึ่งมืดตอนอยู่ในท้องปลาก็มืดสองมืดอยู่ในท้องทะเลอลัลลอ์แล้วก็มืดในเวลากลางคืนอีกสา ม, มืดเลย เอาใครลองอยู่เป็น้องลองตกไปอยู่ในท้องปลาก็จะรู้เลยหนึ่งใครนะมืดตอนอยู่ในท้องปลาก็มืดสองมืดเพราะอยู่ในทะเลสามมืดในเวลากลางคืนสา ม, มืดเอาล่อเล่าเลยฟานาดาฟิซูลูมาดเขาขอดวอาต่อลอกนาที่มองดวงอาทิตย์ไม่เห็นอยู่ในที่มืดสามมืดเลยนะคำว่าซูลูมาดมืดที่เป็นประหุพดหนึ่งอยู่ในท้องปลา สองอยู่ในน้ําทะเลสามในเวลากลางคืนขอดุอาว่าไงครับอัลลอฮิลาฮิอัลลอฮอัลลอฮสุบฮานะกะอินนีคุนตูมินัลลอฮิมีนี่เป็นดวอาที่อัลลอฮ์พอใจนําเอามาเล่าในคัฟีร์คุรานเป็นดวอาของท่านนบีซุนนุนหรือนบียูนุสอะลัยฮิสสลามเล่าทําไม เล่าต้องการจะให้พวกเราวันนี้ที่อ่านกุรานเนี่ยเมื่อเวลามีความเดือดร้อนให้นึกดูานี้แหละดีที่สุดนึกดูานี้แหละดีที่สุดและนบี Muhammad เองก็สอนซอบ้านนบีก็สอนพวกตาบีอินก็บอกว่านี่แหละเป็นดานูาที่ดีที่สุดสำหรับคนที่อ่านอัลกุรานคนที่มีปัญหาเดือดร้อนนะครับซอ บ, าาบ้านนบีถามนาบีถามว่างไงถูกไหม ถามบอกว่าโอรสูลของอัลลอฮฺดูอานี้เนี่ยเฉพาะเจาะจงเฉพาะนาบียูนุสใช่ไหมถามว่าดูอานี้เฉพาะนาบียูนุสใช่ไหมนบีมัตกาบอกไม่ใช่เขาถามว่างี้นะคอสตันลียูนุสวะลิจามีอะติลมุมินีนะอามัตันหรือว่า สำหรับคนมุมินทั้งหมดทั่วๆไปนบีตอบไม่ใช่ของนบียูนุสคนเดียวแต่เป็นของนบียูนุสด้วยและเป็นของพี่น้องมุสลิมทั้งหมดด้วยในโลกนี้อัลลอฮฺอักบัตท่านไม่ได้ยินหรือนบีตอบคำถามเมื่อซอาบ่าถามเนี่ยอ่านอายานนี่ไงอ่านว่างไงนะฟาดาฟิซุลุมาด อ l l ล h ilahe illa anta Subhanak Inni kuntu min al-Allimin มาดูําแปลครับแลอิลล่าอิลลาอันตะอัลลอฮ์นี่เป็นการชมอัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นสุบ h a n a k a มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮ์นน n i แท้จริงฉันกุนตุมินัลลอลิมินอยู่ในหมู่ผู้ทาผิดแก่ตัวของฉันเอง นี่เป็นดูอาที่ดีที่สุดฉะนั้นมุมินพวกเราวันนี้เมื่อตกไปอยู่ในความเดือดร้อนในความลำบากให้นึกถึงดูอาบท น, นี้เหมือนท่านนาบียูนุสขอดูอาบท น, นี้อัลลอฮ์ช่วยไหมอัลลอ์ช่วยเลยครับพี่นอ้องแต่าทั้นท่องดวอาบท น, นี้ยากไหมไม่ยากคำอธิบายของของอายาอื่นอธิบายอย่างนี้เมื่อนบียูนุสนีน่หนีขึ้นไปในเรือ เรือเดินทางในมหาสมุทรเรือจะจมต้องจับฉลากเพื่อให้คนออกทุกครั้งที่ท่านจับฉลากมีชื่อยูนุสออกทุกครั้งคุรานอธิบายอย่างนี้ครับว่าอินยูนุสละมินมุรสาลีนแท้จริงยูนุสก็อยู่ในหมู่ผู้ถูกส่งมาคือเป็นนบีอิซาบกออีละฟุลกิลมชฮุน แน่นอนอยูนุสได้หนีจากหมู่ชนของเขาเนื่องด้วยความโกรธไปยังเรือที่เพียบแปรเรือกล้าจะจมแล้วหนีไปอยู่ในเรือที่เพียบแปรฟาซาห์มานะครับลูกเรือก็เลยมีการเสี่ยงทายมีการจับฉลากการเสี่ยงทายกันฟากานามินัลมุดฮับิน แล้วกูนุสอยู่ในหมูที่พลาดคือจับฉลากทีไรก็ถูกให้ออกทุกทีนี่กูอ่านอธิบายนังกูอ่านด้วยกันเองเล่าให้ฟังจากนั้นนบียูนุษถูกจับฉลากให้ออกฉะนั้นการฉัดฉลากเนี่ยมันก็มีขึ้นตั้งแต่สมัยไหนสมัยนบียูนุสอะลัยฮิสลาหแล้วนะครับอ่ะทีนี้ฟัลตะกอมาฮุลฮุดปลาได้ข่าเหมือเขาอัลลออักบัดปลาได้เข่าเหมือบนบียูนุษลงไปในท้อง นตําสิทธิอธิบายว่าอัลลอฮ์สั่งปลาปลาว่าไงนะปลาเอ๋ยยูนุสไม่ใช่อาหารของคุณนะเหมือนกับสั่งไฟไฟเอ๋ยอย่าทําอันตรายกับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ดันั้นคนทํางานศาสนาอัลลอฮ์คุ้มครองหมดแต่ต้องทําจริงๆนะดูแลคนจริงๆนะแล้วก็ต้องเรียนจริงๆต้องอ่านหนังสือจริงๆนะพอเอาความรู้นี้มาสอนคนจริงๆ อิชชาอัลลอฮ์เวลามีความปัญหามีเดือร้อนอัลลอฮ์จะคุ้มครองตลอดเวลาเอาต่อมาครับ <c oughs> อยู่ในท้องปลาเนี่ยทําอะไรบ้างอัลลอฮหนึ่งมุเดกีทําไงหนะ้าขอดุอาสองสุญูดเห็นไหมหนึ่งขอดุอาสองสุญูดอยู่ในท้องปลาเห็นยังครับ ท่านเหมือนเราเมื่อกานเวลาตกไปอยู่ในที่ลำบากที่ไหนก็ตามแต่นึกถึงอัลลอ์ขอดุดมอาขอสุยูดอย่าลืมนะครับเอาสิ่งที่ได้จากได้รับจากในเรื่องราวของนบียูนุสนะอุลมามะก็อธิบายว่ามีอยู่4ีประเด็นใหญ่ๆประเด็นที่หนึ่งที่นบียูนุสปลอดภัยจากการปลาขนาดกินไปแล้วในท้องเนี่ยยังปล่อยออกมาคลายออกมาเพราะอะไรครับเพราะข้อที่หนึ่งนบียูนุสเป็นคนที่มีอีมาน เรื่องยายมีอีมานครับคาว่าอีมานอธิบายยังไงครับรู้จักอัลลอ์รู้จกัจกศาสนาของอัลลอ์สารู้จักคุรานของอัลลอ์รู้จกัรรจกรอซูลของอัลลอ์เชื่อในวันอาครรอนี่เป็นคนที่มีอีมานทั้งหมดครับเซตันนบียูนุสข้อที่หนึ่งที่ได้จากยูบียูนุสก็คือเขาเป็นคนที่มี إ ي م านต่ออัลลอ์สอง เขาเป็นคนที่ตาบ้าตัวครับอ้าตวตาบ้าว่าไงครับอินนีกุลตูมีนอลลมินแท้จริงฉันเป็นคนอาธรรมคนหนึ่งนี่ตาบ้าตัวยังรับสารภาพอลัลลอฮ์ฉันผิดไปแล้วพี่น้องครับจะออกจากปากเราเนี่ยมันไม่ใช่ออกง่ายๆนะบางคนโอ้โหฟอร์มเยอะกูไม่พูดว่ากูผิดนะเนี่ยนี่คนข้อเท็งมีอิมาน ล้อิลลัฮ์อิลลัฮ์อันตอิมานใช่ไหมไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แล้วก็อินนีคุนตูมินัลลอริมินี่เป็นคำสารภาพผิดฉะนั้นมีอิมานกาสารภาพผิดเป็นคําที่อัลลอฮ์พอใจเอาต่อมากัรเรื่องที่สมเขาขอาอภัยโทษต่ออัลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อัสตัลฟิรุลลอห์ไปเนาะข้อที่หนึ่งมีอิมานข้อที่สองเต่าบาข้อที่ส ขออภัยโทษทนต่ออัลลอ์ข้อที่สีอะไรเลยพี่น้องเป็นคนที่อดทนอยู่ในท้องปลานะไม่ใช่อยู่วันสองวันอยู่เป็นอาทิตย์อยู่ถึงสามสีอาทิตย์อทำดูแลอดทนไหมอดทนครับฉะนั้นคนที่อยู่บนโลกดุญญนยาแบบนี้ต้องทำสี่ข้อหนึ่งอีมานเรียนเรื่องอีมานเรียนเรื่องอัลลอ์ สองเรียนเรื่องวิธีการเตาบ้าตัวตอนหล่อเตาบ้าตัวในสบายยังมียูนุสทำห้รายการแต่สมัยในนี้ทํากี่ครับสาหนึ่งเสียใจสองถอนตัวออกจากความผิดอันที่สมอย่ากหันกลับไปทําความผิดหน้าระหว่างเราเก่าหรอกถ้ามันมีเรื่องอื่นเรื่องของอะไรนะของคูหลูกเรื่องอาดัมเรื่องลูกของอาดัมเรื่องมนุษย์ต้องมีข้อที่สี่อีกข้อหนึ่ง ไปไหนนะไปขอมาอาบเก่าอีต้นมาอาบนี่แหละนึกหนักหน้าแตกไปไปหาเข้าที่บ้านแล้วไปขอมาอาบเนี่ยอโลโรปอักบัสทนี้ไอคนบางคนนี่นะเขาไปขอมาอาบถึงบ้านเนะไม่ให้มีไหมไม่ให้อ่ะถ้าไม่ให้ทำงานปล่อยเพราะเราทําหน้าที่แล้วเราเดินมาที่บ้านเขาแล้ว ซื้อผลไม้มาให้แล้วมาขอมาอัพแล้วไม่ให้มาเรื่องของขาวแต่เราก็อัลลอฮ์หมดแล้วห้ามด้วยเลยเลฉะนั้นเตาบาสสมัยเรามีอยู่งสี่ข้อแตหากเรากับเพื่อนมนุษย์ทําข้อที่สีถ้าเรากับอัลลอฮ์ทำสามข้อเตาบาสตัวสมัยนะั้นม่ยุนุษย์ทำห้าเสือ้อทำห้อย่างถอดเสื้อด้วยให้แพะร้รองด้วยไก่ร้องด้วยเป็ดร้องด้วยแต่ตสมัยโน่แต่สมัยนี้ไม่ต้องลําบากถึงขนาดอัลลอฮ์เมตตาเรากันนานๆฉะนั้นสรุป ถ้าเราอยู่ในที่ลำบากให้ทำผีข้อนะสี่ข้อหนึ่งอะไรนะอีมานอีมานต้องหาเก็บไว้ก่อนอนะ่ะข้อที่สองเตบาบาข้อที่สามขออภัยโทษ ต, ตนต่อเลาะข้อที่สี่สบัดแล้วก็กดทนอัลฮัมดุลิลละนี่สรุปจากประวัติของนบยียูนุสอะลัยฮิสสลามท้านนบีสอนอย่างนี้นะครับ ท่านสายท่านซักจะอธิบายบาว่ามันดาบิฎูอิยูนุสผู้ใดที่ขอดุอาเหมือนการขอดุอาของนบียูนุสอัสตัจีบุละหูฉันก็จะตอบรับอ๋อเห็นยังครับนี่นบีพูดนะว่าอัลลอฮ์บอกกันนบนบีใหนบีมาสอนคนที่ขอดุอาแบบนบียูนุสอัลลอฮ์ก็จะตอบรับคํา ขอของเขาแน่นอนครับดล้ัมโดลเล่เพราะนั้นมีปัญหาทําไงนะมันจะไปขอจากตัวตวเกียนะมันจะขอจากตัวระยองนะมันจะขอจาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะให้ขอใครนะขออัลลอฮ์องเดียวขอตอนไหนนบีสอนขอกลางคืนดีที่สุดคนที่นอนหลับแล้วหรือแม้กระทัเป็นวันศุกร์ให้ขอช่วงนี้มันมีอยู่สองช่วงตอนอิมามอ่านคุตบะจนกว่านามาต จ, จบกับ ช่วงหลังอารซรี่ถึงมกริบเวลาไหนครับโอลมา ส, ส่วนใหญ่อธิบายว่าหลังจากนามาศอารซรี่ของวันศุกร์จนกระทั่งตะวันตกเป็นช่วงที่อัลลอฮฺรับดวงอาส่วนใหญ่เราไม่ว่างนั่งรถไปนน่นมานี่ยียงยยงเยี่ยมญาติเลยลืมขอดวอาแต่ส่วนใหญ่จะขอดวอากําลังนามาศมักคนมานั่งหลับเอาต่อมาครับอายาที่แปดสิบแปด f a s t a j <inin> um um. a b n a l a h u wanajainahu min alrammi و كذلك نون جل مؤمنين อัล l อฮได้กำลังใจเต็มเลยอัลลอฮฺฟัสต้าจับนาลาหูวานาจายนะหูมินัลรัม و كذلك หนุนจิลมุ่มินีอัลฮะมดุลลอห์ฟัสต aja บนาลลัห <ين> อัลลอฮ์ Allah. คำแปลเป็นไงรูไหมดังนั้นเราได้ตอบรับเราได้ตอบรับเนี่ยอัลลอฮเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังให้นบีนําเอามาเล่าให้พวกเราฟังวันนี้ว่าการขอดุทิศของนบียูนุสที่อยู่ในท้องปลาเนี่ยรับหรือไม่รับ คำตอบฟัสตาญบนาลเราได้รับเราได้ตอบรับการวิงวอนของเขาแล้วเห็นไหมนี่กำลังใจของพวกเราคนที่อ่านกรัรอานอร่อยอย่างนี้แหละใช่ไหมพออ่านปั๊บรู้ความหมายอ๋อโลอัลลอฮ์รับ دعاء ของนบียูนุสอยู่ในท้องปลาอยู่ในที่มืดมืดในะอยู่ในทอ้องเมื่ออยู่น้ําทะเลมืดเวลากลางคืนอ๋อโล เห็นยังว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นทรงรู้ทรงได้ยนินแม้จะอยู่ในท้องปลายังยังรู้ยังเห็นนะคิดดูสินี่ทำให้อิมานเพิ่มป่ะโอ้อิมานเพิ่มเรานึกว่าอัลลอฮ์คงไม่เห็นไ ม, ไม่รู้แล้วมั้งไม่ใช่ขณะอยู่ในท้องปลาอยู่ในน้ําทะเลลึกในเวลากลางคืนอัลลอฮ์ยังเห็นยังรู้เลยอีกตอนขอดวงอาณนาะเสียงขึ้นข้างบนนะ ไปถึงใต้บลาลังอัลลอฮ์นะนี่ฮะดีษอธิบายชัดเจนนะมาลกาถามว่าเสียงใครอลัลลอ์เสียงอย่างคนไม่สบายแล้วก็เสียงมันอ่อนมากมาจากหมู่บ้านไหนไม่เสียงแบบนี้ไม่เคยขึ้นมาหาพวกเราเลยนะอลัลลอ์ถามรู้เปล่าเสียงใครเสียงยูนุสนะสิทำไมอัลลอฮ์อัอลลอ์ก็เล่าหนีพวกแต่อลัลลอ์มาช่วยช่วยช่วย มาลัยกาเชียช่วยเลยอ๋อแล้วช่วยเลย เ, ลย เ, ลยเห็นไหมไอ้เนาะอาทีนี้วานาจายนาหูและเราได้ช่วยเขานัจญาอยู่นัจีแปลว่าช่วยเขาให้รอดอ๋อลแล้วช่วยเขาให้ปลอดภัยมีนั่งอมมีรอมมีปลวัตความเศร้าโศกเสียใจระทมรอมมุลเนี่ยเศร้าโศกเสียใจระทมเครียดรอมมุลทั้งหมด อัลลอฮ์ช่วยให้เขาหายจากความเสียใจช่วยเขาให้รอดจากความเศร้าใจเสียใจระทมช่วยหมดเลยเห็นไหมแค่ท่านเรื่องหัวใจใครระทมเนี่นะมีความเครียดมีความทุกข์นี่นะขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยไหมช่วยครับอัลลอฮ์อังคารนั้นการนึกถึงอัลลอฮ์นี่นะทำให้หัวใจสงบจริงๆครับ เขาทำมาหมดแล้วนบีทามาก่อนแล้วคนดีเขาทาหมดพวกเราเองก็ทำแบบนี้แหละเวลาคิดถึงอัลลอฮ์ด้วยหัวใจถี่บริสุทธิ์จริงๆอัลลอฮ์จะให้ความเครียดหายไปเสียใจก็หายไปความทุกข์ก็หายไปและเช่นเดียวกันครับวกกาซาลิกะและในธรรมนองเดียวกันนั่นแหละนุนยิลมุมินนนุนยีเราได้ช่วย อัลมุม uh ินินผู้ศรัทธาทั้งหลายให้รอดเหมือนกันเห็นไหมวกาซาลิกะนุนจิลมุมินินได้ทรนองเดียวกันมุมินในยุคเรานี้มีปัญหาเดือดร้อนแบบนบียูนุสเราก็ช่วยเขาเหมือนกันแต่ต้องผ่านอะไรนะหนึ่งอีมานสองเต่าบะสาการขออภัยโทษ 4. ี่ต้องอดทน ถ้าไม่มีสี่รายการนี่นะสุดยูดก็ไม่เอาหน้ามัดก็ไม่เอา <c oughs> ไม่มีอะไรสักอย่างนึ้งอัลลอฮ์จะาช่วยหน่อยอัลลอฮ์เออรอไปก่อนอาทิตย์หน้าอยช่วยแย่ yeah. ฉะนั้นต้องประคองอีมานเอาไว้ให้ดีนะครับแล้วก็เตาบ้าตัวต้องพูดบ่อยๆอัสลามุขุลล่าวะตูบอัลไลย์อินกันตะตะวะบุลวบตต้องพูดบ่อยๆอีมานหาเก็บเอาไว้เรียนอย่างอมานเยอะ เวลามีปัญหาขออนุญาอัลลอฮ์รับปับอัลฮัมดุ ล, ลิลลาฮ์แบบนบียุนุสอะไรแต่ว่า40่สิบคืนไม่เบานานี่ขนาดทราบแล้วนะสี่สิบคืนนึกถึงยิงไอาชายิงไอาชาเนี่ยถูกมุซัตต์ดาใส่ร้ายแบบทำชูกว่าอัลลอฮ์ะจะประทานคุณอาลลงมารับรองความบริสุทธิ์น่ะไม่ใช่อาวันสองวั น, นเป็นสิวันน่ะ ในช่วงสิวันนะ่ะเครียดไหมอลโลอาคาบัสนั่นพญานาบีนะ่ะเห็นยังครับแล้ววันนี้ท่านหญิงไอชาถูกรับรองว่านางสะอาดบริสุทธิ์แต่ยังมีคนใส่รายาอีกขนาดตายไปแล้วนะ่ะผมพบกับคนอุลมามะอิหร่านเขาบอกในประเทศอิหร่านนี่นะ่ะเขามีโปรแกรมเลยนะออกวิทยุทีวีเลย อาอิจฉาฟินนาร์อาอิจฉาฟินนาร์อาอิจฉาฟินาาฟนาร์อิจฉาอยู่ในนรกพูดโอหูทุกวันทุกวันทวันทวั น, วนพูดได้ยังไงได้เมื่อกุรอานรองรับแล้วว่านางบริรสาาุทธิ์สะอาดจงกว่าจะถึงวันเกียร์มาแล้วมาพูดขวา ง, งกุรอานทําไมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลามีความเดือดร้อนทําไงนะให้ทำสี่ข้อแล้วอัลลอฮ์จะช่วยข้อที่หนึ่งได้ มีอีมานข้อที่สองมีเตาบ้างข้อที่สามมีอิสติกฟาดข้อที่สี่อะไรอดทนต้องอดทนครับโอ้ถ้าไม่อดทนนะเรียบร้อยแย่เลยครับอ้าวต่อมาครับกูหลวงว่ากูอญญานอายะที่แปดสิบแปดนะเป็นการปลอบใจพวกเราวันนี้ทุกการขอดูอาถ้าขอดูความบริสุทธิ์ใจอลัลลอฮ์รับไหมรับแล้วก็ขจัดความทุกข์ออกไหมขจัดครับ ฟัตจะเจบนะล่ะหูวันัจเจยนะหูมินะลุ่มมีว่าคือริการนุนจิลมุมินีนุนจีแปลว่าเราช่วยอัลมุมินคนเป็นผู้ศรัทธาทั้งหลายให้รอดเหมือนกันนะสบายใจมั้ยสบายใจครับข้อที่อายาที่89 و َ ذ َ ك َ ر ِ ي َّ ا إِذْنَ ا دَرَبَ ى ّ ه رَبِّ لَا تَزَرْنِ ي ف َ ر ْ د ً ا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ و َ ذ َ ك َ ر ِ ي َّ ا إِذْنَ ا دَرَبَ ى ّ ه رَبِّ لَا تَزَرْنِ ي ف َ ر ْ د ً ا ว่าอันตะคอยรุลว่าริซีนอัลฮัมดุลิลลาห์ผมดัอาบุญพวกอ่านประจำพวะ อ, อ่านให้กับตัวผมเองไงผมอ่านประจำาัว อ, อาบทนี้อ่านดูคำแปลครับพี่น้องดูอาทั้งหมดในคุรานเอาไปอ่านเยอะๆขอเยอะๆอ่ะนะดูคำแปลจงจำเลือกถึงเรื่องราวของซากริยา คืออัลลอฮ์บอกนี่พอคุยเรื่องเยยูนุสจบเรื่องนบีอะไรต่อนะจักะริยาเพื่อไม่ให้เป็นโรคอัลไซเมอร์ให้คิดนุนคิดนี่โอ้ยคนละสมัยกันนะเอาจักกะริยาเนี่ยจักะริยาเนี่ยเป็นใครรูกไหมพี่น้อง <laughs> เป็นพวกบานีอิสรออี <laughs> พวกบันิอิสรออีนจักะริยาเนี่ยเป็นนบีของอัลลอฮ์นะจักะริยาเนี่ย แกแล้วอยากได้ลูกยอย่างครับกันคนที่ไม่มีลูกตอนแกเอยไม่แต่งงานไม่มีลูกดูขนาดนาบีเองอัลลอ์ยังไม่ให้ลูกแล้วก็ขอดุอาอยากได้ลูกเขาขออย่างไงดูสำนวนวาจากรารีอิสนาดารอบบะเมื่อเขาได้ร้องเรียกหรือวิงวอนหรือขอดุอารอบบาหูพระผู้อภิบาลของเขา อีลาแปลว่าพระเจ้ารอบบุญแปลว่าพระผู้อภิบาลนะอีลาฮุนแปลว่าพระเจ้ารอบบุญแปลว่าพระผู้อภิบาลรอบบุญผู้ดูแลเนี่ยโลกใบนี้ทั้งหมดและทุสิ่งทุกอย่างเนี่ยอัลลอฮ์ดูแลจะเพียงคู่เดียวรอ บ, บุญนะครับสิทธิ์อัลลอฮ์มีสามหนึ่งอัลลอฮ์เป็นรอ บ, บุญอัลลอฮ์เป็นอีลาฮุนอัลลอฮ์มีอัครากมีฟีสิทธอัไรนะ99้าสพนาม ที่ผู้บริหารด้วยผู้ดูแลด้วยแล้วก็เป็นพระเจ้าด้วยครับว่าพระเจ้าหมายความว่าเราจะก้มลงกราบสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอ์ไม่ได้ต้องกราบอัลลอฮ์องเดียวเขาเรียกวันอีลาอีลานะทีนี้นบีสุกรียาเนี่ยขอดูอาตออัลลอฮ์ขอว่าไงนะรอบบีอัลลอ์นี่ภาษาขอนะรอบบีแปลว่าอะไรนะ ถ้าแต่พระผู้อภิบาลของฉันเ อ, อ๋ยรือว่าอ ja นะัลลอฮ์จานี่ภาษาผมเองนะร็อบบี ja. ้อัลลอ์จ่าเวลาเราเรียกคนรักเราที่รักจ่าล้วอัลลอฮ์จ่าพี่น้องร็อบบี้ลาตาซนีฟา ร, รดาจงอย่าโปรดจงอย่าปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวขันยังนี่ภาษาอ้อนวอนที่ดีที่สุดนี่ภาษาอ้อนนะ ลาตาจัตนีฟารดาอย่าปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวไม่มีบุตรสืบตระกูลอัลลอฮฺอัลบิดลาตาจัตนีฟารดาอย่าปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวผมขอประจําอย่าให้อยู่คนเดียวเลยเวลาไม่สบายนะแต่ความหมายจริงๆคืออย่ายอยู่คนเดียวคืออย่าอย่าให้ฉันอยู่แบบไม่มีลูก มีภาษาของนบีอะไรนะนบีซาการิยาเขาก็เงาว่าเวลาเงาต้องขออ่าอลัลลอฮฺจะาอยากให้ฉันอยู่คนเดียวเขาเป็นห่วงาศาสนากันเราเป็นห่วงาศาสนาของอลัลลอฮฺไหมต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงเงินห่วงทองไม่ต้อง่วงาศาสนานะ่ยมันยิ่งใหญ่ที่สุดใครที่มีาศาสนาคนน่าจเป็นคนที่มีบรารการในชีวิตมากเลยครับฉะนั้นละต แต่รันี้ฟัดดาอัลลอ์จ๋าจอย่าให้ฉันอยู่คนเดียวโดยไม่มีลูกสืบตระกูลอ้าวเวเลชมอลัลลอ์ชมไงนะว่าอันตะคอยรุลวารีซีอลัลลอฮ์ภาษาดีดีมากนะพระองค์เป็นผู้ทรงเลิศยิ่งหรือว่าดียิ่งแห่งผู้สืบสืบพระสืบตระกูลเป็นผู้ให้ลูกกับคนที่ดีที่สุดคืออลัลลอ์นั่ละ นี่เป็นการชมอัลลอฮ์นะแนคะ่นั้นต้องการลูกก็ต้องชมว่าอันตะคอยรุ่นวาดีซีนท่านเป็นผู้ที่เลิศยิ่งแห่งผู้สืบครองอำนาจอัลลอฮฺอักบัดชมอัลลอฮ์แล้วก็ขอจากอัลลอฮ์ด้วยอะอย่างนี้เวลาเราป่วยอัลลอฮ์จ๋าอัลลอฮ์ท่านนะเป็นคนที่เป็นหมอที่ดีที่สุดเป็นผู้เยียวยาที่ดีที่สุดโปรดให้ฉันหายด้วยขอให้มีลูกขออย่างงี้ ลาตาจารนีฟารดาวะอันตะคอยรุลวารีสินอัลลอฮุอัยเวลาขอให้รวยขออย่างนี้อัลลอฮจะให้เงินเจ้าหน่อยเพราะท่านเป็นคนที่รวยที่สุดมีกองคลังที่เยอะที่สุดต้องขอให้รู้เราขอเรื่องอะไรแล้วก็ชมเรื่องเดียวกันขอให้หายป่วยท่านเป็นหมอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเห็นไหมขอให้รวยท่านเป็นผู้ที่ประทานทิสกีที่ดีที่สุดอ้ายขออย่างนี้ ทีนี้เมื่ออลัลลอฮ์ขอเมื่อเล่าอลัลลอฮ์เล่าว่านาบีสักกริยานี่ขอดุอานี่นะอาประวัติของนบีสักกริยานิด ห, หนึ่งอะไรนะสักกริยาเป็นนบีของอลัลลอฮ์สองอยากได้ลูกไว้รับใช้งานศาสนาของอลัลลอฮ์เพราะเป็นห่วงศาสนาข้อที่สามภรรยาของท่านเนี่ยเมื่อก่อนเป็นหมันแต่ว่าหายเป็นหมันได้เห็นไหมหายได้เพราะผ่านอะไรนะผ่านดูอานะ พอดีดูอานในปัจจุบันนี้มีอยู่ห้านะหนึ่งขอแล้วได้เลยสองขอแล้วได้ชา้าสามขออย่างหนึ่งได้อีกอย่างหนึ่งขอที่สี่ขอแล้วไม่ให้แต่อัลลอฮเบียงเบนลบาข้อที่ห้าขอแล้วไม่ได้บนดุนยาแต่ได้ในโลกอาคริรอมีอยู่ห้ารายการ น, นะครับปัจจุบันนี้นะ คนที่ขอต้องนึกนะขอแล้วอัลลอฮ์ให้หนึ่งในห้านะหนึ่งขอแล้วได้เลยสองขอแล้วได้ช้าสามขออย่างหนึ่งอัลลอฮ์ให้อีกอย่างหนึ่งเช่นขอลูกผู้ชายอัลลอฮ์ให้ลูกผู้หญิงข้อที่สี่ขอแล้วไม่ให้แต่บาละไม่มีข้อที่ห้าขอแล้วไม่ได้แต่ไปได้ในโลกอัลลอฮ์บนดุลเนี่ยสมัยมุฮัมมัดเนี่ยมีอยู่ห้าห้ารายการนะครับทีนี้ นบีสกุริยาเนี่ยเป็นนบีของอัลลอฮ์สองอยากได้ลูกไว้รับใช้งานศาสนาต้องนึกไปน้องอัลลอฮ์เขาเป็นห่วงศาสนาขนาดเขาไม่ได้ห่วงเขามองว่ามารดกความรู้ด้านศาสนามันยิ่งใหญ่กว่าทั้งอื่นทั้งหมดอันที่สานบีสกุลิยาเนี่ยแก่เครื่องหมายของคนแก่อยู่ที่ไหนพอรู้ใช่ไหมเ <c oughs> น่งผมอะไรผมงอกคิ้วงอกเขา่างอก เป็นสัญญาณว่าเองแก่แล้วน บ, บีเลสักในวันลาเห็นผมหอกีห้ามอะไรนะห้ามอะไรนะห้ามถอนแต่น บ, บี บ, บอกยอมได้ยอมไม่จะยอมสีดำนะยอมมาสีอะไรสีฮันหน้าอ่าสีฮันหน้าของผู้หญิงเนี่ยแล้วยอมสีออกแดงๆนิดๆเนี่ยเยห็นไหม เครื่องหมายของคนแก่กุณอัานอธิบายเลยนะอินนีวาฮานัลอัซะกดูของฉันอ่อ oh, นแล้วแย่ yeah, แล้วเดินก็ไม่ค่อยไหวไม่เห็นอายุเจ็ดสิบเนี่ยแย่ yeah, แล้วนี่หน้าท่านั่งเนี่ยช้า่ายืนเนี่ยบางทีมืดหนะ้าจะเป็นลมอ่ะนี่แกรหรือยังแกแล้วอันที่สองผมงอกแล้วนะครับฉะนั้นลักษณะของคนแก่อัลลอฮุลเลาในกะฟีุณอ่านกลัวเราจะไม่รู้ ในความละเอียดของของคัมอิสลามนะ่ะเล่าเลยก็ดูกอ่อนสองผมงอบฟันนี่ฟันในเราเองนะฟั น, นเปลี่ยนแล้วจากฟันแท้มาอะไรแทนนะพลาสติกแทนะ่ผมดูขาวว้ที่ไหนพูดไปฟันมันหลุดไปหลุดไปอลัลลอฮ์สนุกจริงๆดุญยานี่มีอะไรเยอะนะถ้าเราอิง ก, กับอลัลลอฮ์นะโอ้โหสนุกทำดูรีลลอาชีพของนบียะยาโรมาทาอะไร นัดจ่าเป็นช่างไม้นบีนะมีอาชีพนะช่างไม้ Akbar. อัลลอฮฺอากบัแต่นี้ช่างไม้ผมมองนะในปัจจุบันนี้ไม่มีใครสร้างบ้านเป็นไม้เพราะมันแพงและสร้างปูนนี่พี่น้องถูกจริงแต่เวลาย้ายาย้ายไม่ได้ฉะนั้นผมว่าถ้าใครมีบ้านทำาดยไม้นะ่ะดีมากนะเพราะไม้นี่นะย้ายได้แล้วก็ไม้นี่แข็งแรงด้วย แล้วราคาก็แพงด้วยแล้วก็อากาศเย็นด้วยไม่ร้อนแบบปัจจุบันฉะนั้นนบีซักกะรียามีอาชีพช่างอะไรนะช่างไม้อัลฮัมยูลิลาห์นบีนัวก็ช่างไม้เหมือนกันช่างต่อเรือจ่ไว้นบีทุกคนมีอาชีพหมดเลยครับสระบาสนบีมีอาชีพหมดบางคนค้าแพะบางคนค้าอูฐบางคนค่ากระสอบอลัลลอฮ์มีอาชีพหมดเลย เราเป็นข่าราชการห้ามดยลิลล์คนทันสมัยห้ัมดลิลลอ์อาที่นี้นบีสกริยาเนี่ยอัลลอ์ให้ลูกนะรู้ไหชื่ออะไรนะยะยาอัลลอฮุอกบัดนบีสกุยาคนนี้เป็นคนดูแลรับผิดชอบเลี้ยงมะของนบีอีซานางมาริยามตอนสาวสาวอัลลอฮ้ามดยลิลเล์เลี้ยงนางมาริยามด้วยนะมาของนบีอีสานะอัลลอฮุอกบั ทุกครั้งที่นางอยู่ในมัสยิดอยู่ในมิฮรอบนบีสุลริยาเข้ามาเยี่ยมนางมาริยามเจอผาผลไม้วางอยู่ในมนะัสยิดเนี่ยในมิฮรอบเนี่ยสุลริยาถามว่ามาริยามผลไม้มนี่มาจากไหนนางตอบว่ามินานดิลมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์แล้วก็ผลไม้อะนอกกระดูการด้วยมาวางอยู่วางอยู่ให้นางได้ดทานอัลฮัมเห็นยังครับท่า น, นคนที่อยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้ง อยู่กันจริงๆเถอหนาอลลอไม่ทอดทิ้งครับขนาดนางมารยำอยู่ในมิหารอบเนี่ยมิหารอบเนี่ยมาแปลว่าหัาดบุญแปลว่าอะไรนะทำสงครามทําสงครามกับใครสงครามกับชัยตอนเขาเรียกว่ามิหารอบเป็นที่ทําสงครามกับใครนะกับชัยตอนเรียกว่ามิหารอบสาบขาว่ห้าดบุญแปลว่าสงครามใช่ไหม น, นะ Fighting ไฟติ้งแปลว่าสงครามหรือต่อสู้นะ อธิญี น, นี้นบียะยามีหนึ่งเป็นนบีของอัลลอฮ์สองอยากได้ลูกไว้รับใช้งานศาสนาสามสาาัญญาณว่าแกเป็นคนแก่ือผมงอ ก, กระดูกอ่อนข้อที่สีรพญาของจักรียาหายเป็นหมันข้อที่ข้อที่สีมีลูกชายชื่อยะฮียา ザคาริยาเนี่ยเป็นผู้อุปการะนางมัตยามมากของนบีอีสลาซาริยาพูดชมอัลลอฮ์ว่าอันตะคอยรุลวารีซีนต้องจำมาใช่นะอันตะคอยรุลวารีซีอัลลอฮ์คอยรุลวาริซีนอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเป็นเลิศยิ่งแห่งผู้สืบครองอำนาจที่ดีที่สุดชมอัลลอฮ์เอาดูอานี้ชมอัลลอฮ์ก่อนแล้วอัลลอฮ์จะฉันอยากได้ลู แต่ท่านคนที่ไม่มีลูกนะไปทําอุปรรคไปเดินตะว่าปิก้าบ้านนั่นก่อนอย่าไปหาโทวตะเกียรล่ะนะไปหาอัลลอฮ์องเดียวพอนะอัลทำอยู่ลีเลออีกอายาหานึงหมดไหมเนี่ยมันหมดหมดเวลาก่อนแล้วเมื่อยาวมากเอาไป น, อน้องเอาแค่นี้ก่อนสามปายาหมดเวลาแล้วนะครับก่อนจะจบนะครับก่อนจะจบอธิบายยังไงว่าอะอย่างเงี้ยเออ ต้องเอาอัคลาของนบียูนุสมาไว้ในตัวเราเยอะๆมีอยู่สอย่างหนึ่งมีอะไรนะมีอีมานสองมีเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์สขออภัยโทษตนต่ออัลลอฮ์อันที่สี่สบายอดทนถ้าไม่อดทนมา น, นมาสุเราได้ไหมไม่อดทนลุกขึ้น น, นมาทหารยุทธ์ได้ไหมถ้าไม่อดทนเนี่ยบวชเดือนเดือนชาบานนี่ได้ไหมไม่ได้ต้องอดทนหมดเลยครับแต่อดทนต้องเพื่ออัลลอฮ์ นะครับเพื่ออัลลอ์หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์และอัลลอ์ก็จะค่อยๆประทานลงมาต้องอดทนนะอยู่ในท้องปลากี่วันสี่สิบวัน Allah, Allah. อัลลอฮ์อักุอฮ์อ้าวอธิบายนิดหนึ่งเวลาลูกป่วยทำไงครับนึกนึกถึงใครก่อนนึกถึงหมอก่อนหรือนึกถึงอัลลอ์ก่อนนึกถึงใครก่อนนะนึกถึงอัลลอฮ์ก่อนทำอย่างนี้เวลาลูกไม่สบายลูกเล็กๆ่กนะ หนึ่งไปอาบน้ํา น, า น, า ม, นมารเลยม้ามันน่ะแล้วก็เปาะมันสองคนเนี่ยไปอาบน้ํา น, า น, า ม, นมารแปลงฟันไอเดียวยรอยมานนมัสการสองรักษาแล้วขอมาตอา่อนรออัลลอฮฺจะลูกหะไม่สบายอ่านสามพ่นเนี่ยเป่าไปก่อนทั้งตัวลูกทั้งตัวหลังจากนั้นนึกถึงหมออัลฮัมดีทั้นั้นแะะรงหนักกดที่อัลลอฮฺวางไว้จะดีทั้งหมดนะครับ สรุปอีกทีนึง น, นะแม่บ้านพ่อบ้านพวกเราวันนี้ต้องมีสข้อนะหนึ่งอีมานต้องเรียนเรื่องอีมานสองเรื่องเตาบ้าตัวต่ออัลลอ์สามเรื่องการพออพไปโทษต่ออัลลอฮ์ข้อที่สี่สบัดอดทนเยอะๆเวลามีปัญหาเดือร้อนเข้ามาอย่าเพิ่งโวยวาย سبحان อัลลอฮุมะวะ บ, บิฮัมดิกะชวะลาอิลลอิลลอันตะอัสตุร์กาวะตูบอิลก์ัลมอัลัยุมะรห์มตุอลลอฮ์วะบาระกต